أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسل م وس وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إِلَّا مَا علمتنا إنكأنتالعالمالحكيم ربشرحليصدري و ي َ س ر ل ي أ م ر ي وحل العقدةمنلساني يفقهواقولي الله معلمنا ماينفعونا وانفعنا بماعلمتنا وزدناعلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ر َ ب َّ ن َ ا آ ت ِ ن َ ا مِنَ ل َّ ذ ِ ن َ كَرَحْمَةً ن ُ ح ِّ ئ ْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّهُمَّ لَكَالْحَمْدُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّ ا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَ إ ِ ن َّ ا ن َ عُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَسِ وَالْجُزَامِ وَالْجُنُونِ و َ م ِ ن سَيِّئِ الْأ ชูขอต่อัลลุซุรฮนฮวะตะลาที่เรายัางมีชีวิตอยู่นะครับทำกลางบททดสอบต่างๆนาน า, นานมากมายนะครับก็ช่วยกันขอดุอนะครับขอดุอาให้ตัวเองปลอดภัยสถานการณ์ยังยังคง อ, อยู่ในภายใต้มาตรการนะครับการอะไรนะเขาเรียก มาตรการที่จะจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยให้มันแคบที่สุดทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือนะครับเราไม่อยากที่จะให้มันเหมือนกับรอบแรกนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่ารอบแรกที่ผ่านมานั้น ม, นมาละมดที่มัสยิดก็ไม่ได้หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ เคยทํามาไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นรอบนี้เราต้องพยายามป้องกันไว้ก่อนต้องพยายามอยู่ในระบบระเบียบที่เป็นคําแนะนําจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สถานการณ์เหมือนรอบแรกนั้นเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเอาทำแล้ววันนี้เรายังมาละหมาดที่มัสยิดได้เรายังม า, มาเรียนอัลกุรอานกันได้อยู่เพราะว่ายัางไม่มีตัวเลขที่มัน ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยๆกันนะครับทุกๆคนเลยถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ทุกคนที่เราคุ้นเในสังคมนะครับมิชอ Allah ุงาาา่านาวาจานละวันนี้ดีวเราจะเรียนกันเลยดีกว่านะครับตั้งแต่อายัดที่สิบแปดเป็นต้นไป <c oughs> อ่านไหวหรือเปล่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยบอดยสองยสายี่สบสี่ค่อนข้างยาวเนาะอาจจะเอาสักยี่สิบเอ็ดหรือว่ายี่สิบสิบแปดสิบมาอายัดมันยาวนะครับอายัดมันยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาอ่านถึงยี่สิบก็ได้ถ้าสมมติว่ายังมีเวลา เราก็อธิบายเพิ่มเติมอาในที่21อ็ดต่อเราอ่านเฉพาะสิบแปนสิบเก้ายี่สิบก็แล้วกันอินชาอัลลอฮฺ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين بايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم. ف, ف َ ن อัน زل سكينة عليهم وأثابهم فتح قريبا و َ م َ غ َ ا ن ِ م َ كَثِيرَةً ي َ أ خ ُ ل ُ و ن َ ه َ ا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا و َعَدَكُمُ ا <س ؤ ال> ل ل ا َّ ه ُ م َ غَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَدْجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيًا ناس ْ عنكم <ت ص في ق> ولتكون آية لل วิ่ยให้คุ ا สิรัตมุต ي ิมา alhamdulillah แَ้วดَ้รดีอัลลอฮ์แกนอัลมุมินีอัลลอฮ์อัคราอัยต์มีเรื่มต้นอย่างสวยงา g มาก <c oughs> หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราจำได้นะครับว่าก่อนหน้านี้อลัลลอตาลาพูดถึง เ, าเาขาเรียกว่ามันผลตอบแทนจากอัลลอสุบตานอฮตาลามันต้องมีการแอคชั่นมาก่อนก่อนหน้านี้บรรดาสหฮาบะ์มีแอคชั่นอะไรแล้ววันนี้ Allah อัลลอตาลา จะตอบแทนพวกเขาอย่างไรอายัที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นอายัดที่พูดถึงการตอบแทนที่บรรดาสัฮาบะรลลอฮอานะมรวมถึงบรรดามุมินทั้งหมดจะได้รับจากอัลลสุบฮานาะ่าลถามว่าผลตอบแทนนี้เกิดจากอะไรมาจากไหนผลตอบแทนของเหตุการณ์ไหน รอย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ก oh ่อนหน้านี้เราแต่ลาพูดถึงบทบาทของบรรดาซัฮับหรือผลงานของบรรดาซัฮับนั้นก็คืออินนัลละีนียูบายูนักใต้ถ้าชั้นเจริญนั่นคือบทบาทนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหตุการณ์ก็คือการที่บรรดาซัฮับนั้นให้สติบันกับท่านนบีสุลลัลลอฮฺอัลลอฮิวะสัลลัม ยินยอมพร้อมใจผลพวงหรือผลตอบแทนจากการที่บรรดาซาฮบะยอมสละตัวเองให้กับอัลลอฮ์นะทสัญญากับท่านนบีจริงๆแล้วทำสัญญากับท่านนา บ, ญญก บ, านนาบีก็เหมือนกับท่านสัญญากับให้สัตยบาบันกับอับาาลลอฮ์ س ب าะสิ่งที่คนเหล่านั้นบรรดาซาฮบะเหล่านั้นได้รับเนี่ยถูกพูดถึงในอายัดนี้อาัาลลอลาเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยลกอด รัอัลลอฮอาิลมุมมินินพระองค์สาบานเลยเป็นการตอกย้ำว่าผลตอบแทนนี้เป็นผลตอบแทนที่พระองค์ให้กับคนเหล่านี้อย่างแน่นอนแล้วก็รับีัลลอฮแปลว่าอะไรครับอัลลอฮฺสงพอพระทัยแล้วสุ ح ا าอัลลอฮฺอุลามะบางท่านบอกว่า ถ้าสมมติว่าบรรดาซาฮบะหรือ Allah อัลลอฮฺตะลาไม่ได้พูดถึงผลตอบแทนอื่นเลยจริงๆอายะห์ที่เราอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลตอบแทนเดียวนะมันมีหลายอย่างมากหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าสมมุติตอัลลอฮฺตะลาไม่ได้ให้ผลตอบแทนอย่างอื่นเลยนอกจากคำว่า لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة นั่นก็ยิ่งใหญ่มากพอแล้วไปงครับ ความพอพระทัยของลอตสุคานอวตาอลาเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมาเป็นลำดับแรกอย่างอื่นจะได้มาหรือไม่ได้มาถ้าสมมติว่าลอตอัลาอพอใจเราแล้วเรายังต้องการอะไรอีกเข้าใจไหมครับถ้าสมมติเราได้อย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ลาตอัลลอไม่พอใจเราโอเคไหมเห็นไหม เพราะฉะนั้นความพอใจของลอสอัลลาล์ต่อบุคคลคนหนึ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดและนี่ก็คือผลตอบแทนของบรรดาส ح าบะที่พวกเขาได้รับจ Allah ากลอัลลาห์ a k تحت ا ل า ج ر ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังทำการสัตยาบันใต้ต้นไม้ที่อูดายเบีย อายัดนี้เป็นการยืนยันถึงความประเสริฐของบรรดาสัฮาบะโดยตัวานุลอฮฺอิตาลาอลยัจำเอาไว้นะครับในจำนวนความเชื่อของอาลุซุนนะฮฺวัลจามะจะต้องให้เกียรติสัฮาบะจะต้องยึดถือว่าพวกเขาทั้งหมดได้รับการริรอหรือการพอใจจากอัลลอฮสุลภานาอูตะลาทังสิดเอามาจากอายัดไหนแล้ก็รดัลลอฮอลมุมมินี เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงชื่อซาฮับเราจะว่าย่งไรครับอบูบัยังไงรยัลลอฮุอลัฮถ้าเป็นผู้หญิงอะอชะรยัลลอฮุอัฮเห็นอามจกอติบาอามจกอนี้ในรทะฏอลลัอัลลอฮอัลออัลลอฮอลออัอ อิจยุบาย عونا แค่ใต้ต้นชั้นมะละหับผลตอบแทนมันย่อมต้องยิ่งใหญ่เท่ากับผลงานผลงานในวันนั้นเป็นผลงานที่ถูกจารึกเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะในประวัติศาสตร์แต่ถูกจารึกเอาไว้ในคำภีกร้อง Allah สุภาห์ธรรมจาร์ละการมูบายะกับท่านนาบีตรงนั้นเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นผลงานที่อัลลอฮฺจะอะลาการันตีผลตอบแทนด้วยการบอกว่าพราะองค์พอใจละ ถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ฮุดายบิยะไปมันจะมีเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่ซอฮบะบางคนไปทันทำเหมือนกับไปทําผิดไปพลาดพลั้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเล็กๆน้อยๆท่านอ บ, บีบอกว่าคนนี้เคยผ่านบาดาัสมาคนนี้เคยผ่านบิยาบิยาตุริดวานมาใครจะไปรู้ว่าคนที่ผ่านสองครัมบาดดั คนที่เคยทำบาปอักเนื้บปอัลดวนเนี่ยอัลลอฮสุบไตะลาได้อภัยโทษให้กับเขาแล้วคือความผิดเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าผลงานที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ไปไปเป็นสาเหตุในการลบล้างบาปของคนเหล่านั้นได้อย่างปริยายอัลลอฮนะครับเพราะว่าเราลองลองลอ ง, ลองนึกถึงเหตุการณ์ดูใช่ว่าตอนที่ท่านอมบีทำสตยาบันกับบรรดาซาประเหตุการมันอะไรอะ เหตุการณ์มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเส้นยาแดงผ่าแปดใช่ไหมใช้คำถูกหรือเปล่าเส้นยาแดงพาแปดคือยอมต้องเสียชีวิตแน่นอนอาวุธก็ไม่ได้พาไปจำนวนก็น้อยกว่าในขณะที่พวกมุชลิกนมีทุกอย่างและพร้อมที่จะมามาอะไรนะมากำจัดพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดเลย สัจยาบันว่าเราจะไม่หนีวันนี้ถ้าตายก็ตายมันไม่ใช่เรื่องแรกเลยคือไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแล้วก็จบไม่ใช่กว่าจะเกิดการให้สัจยาบันกับท่านนาบีเนี่ยอะมันสะสมความรู้สึกมาเท่าไหร่อุสมานเข้าไปในมักกะไม่ออกมาความกังวลของท่านนาบีสละสลักต่ออุสแานมีมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้น บ, นบรรดาซาบาทุกคนที่ยอม มาให้ทําสัญญากับท่านนาบีว่าวันนี้ยังไงยังไงเราก็จะช่วยอุสมานออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากความความอะไรเขาเรียกนะไม่ใช่การเสรแสร้งไม่ใช่ว่าเสแสร้งไปให้สัตยาไม่ใช่เป็นความรู้สึกออกมาจากความบริสุทธิ์ใจจริงๆที่ยอมหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสมควรที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับผลตอบแทนเช่นนี้จ า, าออก Allah Subhanahu Wa Taala فعليم ما, ما في قلوبهم อ่ะนี่ไ ง, งพระ อ, องค์รู้ดีว่าหัวใจของพวกเขามีอะไรอยู่อะไรที่อยู่ในะหัวใจของบรรดาม穆 m ินพระ อ, องค์ไม่ได้บอกเพราะว่าความรู้สึกณนะช่วงเวลานั้นมันหลากหลายแต่ที่แน่ๆคนเหลา่านี้อย่างหนึ่งที่จะต้องมีเหมือนกันก็คือความศรัทธาต่ออัลลอฮสุบฮานาัตลอละถ้าไม่ศรัทธาต่ออัลลจะยอมให้สัตยบันกับท่านนาบีสอลลลัลลมได้ยงไง นะครับฟ้าลิมาม่ฟีกลุ่บิฮิมดูในตับเสียก็อธิบายลักษณะนี่ฟ้าลิมาไม่ฟีกลุ ing, ่บิฮิมมิเนล إيمان Allah Taala รู้ดีว่าคนเหล่านี้มีความมีความเชื่อมั่นมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ขนาดไหนพระองค์จึงฟาอันจารัสกีนะจะอาเลยฮิมพระองค์จึงทรงประทานอัลศกีนะ พระองค์ทรงประทานความสงลบลงมายังพวกเขาอั ส, สกิลนหะมายถึงความรู้สึกไม่กระวนกระวายนอกจากจะมีความศรัทธาต่อร่องสุภาณตตาลาแล้วอีกด้านหนึ่งปกติอะความรู้สึกกลัวความรู้สึกขยาดความรู้สึกกระวนกระวายเนี่ยในขณะที่จะต้องเจอกับศัตรูเนี่ยแม้ว่าจะมี إيمان ขนาดไหน แต่เขาเรียกว่าอะไรนะโดยปกติของมนุษย์อ่ะมันจะต้องมีบางส่วนที่ที่เกิดความรู้สึกเออไม่ใช่ไม่มั่นใจแต่รู้สึกกลัวรู้สึกขยาดรู้สึกว่าเขามีจำนวนมากกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตะลาก็ทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นหมดไปด้วยการยังไงอันซาลาสกีนะตฟีโุลูบี ความรู้สึกที่เคยกลัวความรู้สึกที่เคยกังวลความรู้สึกที่กระวนกระวายเมื่อ Allah ตอบลาให้เพิ่ม إ ي م านเข้าไปเหมือนกับที่ Allah ตอบลาพูดถึงตอนต้นสุรอะ alias ดาดูอิมานั้นมาอิหมานี่เองอิหมานความเชื่อมั่นของพวกเขาที่มีอยู่แล้วเนี่ย Allah ตอบลาให้สกีนะลงไปอิหมานก็เพิ่มขึ้นความรู้สึกเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นไม่มีความรู้สึกกระวนกระวายอีกต่อไปนะครับ ف أ ن زل ส ك ي น ة عليهم و أ ث ا ب บห ف ت มฟัางกอบะและพระองค์ทรงประทานนะพระองค์ประทานฟัดหงกอรีบะทรงตอบแทนพวกเขาด้วยการพิชิตอันใกล้เข้ามาอายัดเดียวพูดถึงสามอย่างผลตอบแทนสามอย่างเลยทีเดียวแล้วใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยอันดับแรก ละก็รับีอัลลอฮฺอาเิลมุมอฺมินินเป็นผลตอบแทนในฝั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอัลลพระองค์พอใจล้วเจ้าจะเป็นยังไงหลังจากนี้พระองค์พอพระตายพวกเจ้าละไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่มากไปกว่านี้ผลตอบแทนอันที่สองเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับหัวใจเห็นไหมเกี่ยวข้องกับหัวใจมาอีกแล้วเราบอกแล้วทุกครั้งเลยหัวใจมาเป็นลำดับแรกก่อนที่จะให้ดุนยา อันที่สามเนี่ยเป็นผลตอบแทนในเชิงดุเนียแต่ก่อนที่จะได้รับผลตอบแทนในเชิงดุเนียเอาละตาละให้ผลตอบแทนในเชิงอะไรก่อนในเชิงในเชิงนำมาทำก่อนในเชิงหัวใจหัวใจนิ่งก่อนให้หัวใจแข็งแกร่งก่อนสำคัญมากหัวใจเพราะถ้าหัวใจไม่แข็งแกร่งจะไปทำจะไปพิชิตเมืองคอยบัตได้ยังไง ใช่ไหมครับเนี่ยแต่ซาเลซูลของมันสวยงามมากเลยเพราะองค์อัลลอฮฺตาลาพอใจแล้ ว, ห, ว, ว, ห, ลล ว, ลวหัวใจของพวกเจ้าแข็งแกร่งหลังจากซาลลอฺตาลาพอใจพวกเจ้าแล้วหัวใจของพวกเจ้าแข็งแกร่งแล้วเราจะให้ดุ ن ยาต่อพวกเจ้าเรียงลําดับเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าดุน ي ามา ก, ก่อนแล้วหัวใจของเราก็รู้สึกสงบแล้วเราก็จะทําความพอใจให้กับอัลลอฮฺถ้ามองในมุมเราเดี๋ยวเราอาจจะคิดว่า ตอนนี้เราลำบากอยู่ตอนนี้เราไม่มีอะไรอยู่แล้วใจของเราจะสงบได้ยังไงจะคลายกังวลได้ยังไงใช่ไหมครับออบางคนมีความรู้สึกอย่างนั้นอเดี๋ยวต้องทํามาหากินต้องอะไรไม่ทันที่จะทําอิบัตได้ไม่ทันที่จะสร้างความพอใจให้กับอัลลอฮฺสวาบัลลาเพราะมัวแต่ยุ่งกับยุ่งกับดุนียแต่มุมมองของอัลลาห์กลับกันสร้างความพอใจให้กับอัลลอฮฺสวาบัลลาก่อน หัวใจแข็งแกร่งแล้วดุน ي ามันจะจะตามหลังมาสุบฮาอัลลอฮ์ของพวกเรามาตรฐาน ข, ของพวกเราเนี่ยดุน ي าแล้วเราคิดเราคิดเองนะดุน ي าพร้อมเมื่อไหร่อ่าจะได้ทําอิบาดาห์ได้เต็มที่แล้วจะได้สร้างความพอใจให้กับอัลลอฮ์ไม่ใช่ของละตัลลาเนี่ยสร้างความพอใจให้กับอัลลอฮ์หัวใจจะแข็งแกร่งและหลังจากนั้นผลตอบแทนที่เป็น มะกานหนึ่งฟาดชัยชนะจะตามมาดีไหมครับแบบนี้เป็นบทเรียนให้กับเราบรรดาสาวบะไม่ได้ตอนที่ให้สัตยาบันกับท่านนาบีสุลตงสัลลัมมีดุนยาอยู่ในหัวเขาข<อ>ไหมมีไหมเคยคิดไหมว่าด้วยการที่พวกเขาให้สัตยาบันกับอัลลอฮฺมาอฮตาอลาเนี่ยจะได้ผลตอบแทนหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ไม่ได้คิดเลย ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้อะไรหลังจากนี้แต่คำสั่งของละตาลมาคำสั่งของท่านนาบีสุลต่านละมาหน้าที่เดียวของพวกเขาตอนนั้นก็คือทำให้อัลลอ์พอใจทำให้ท่านนาบีพอใจจบหน้าที่จบแล้วผมตอบแทนเนี่ยไม่เกี่ยวละ ผลตอบแทนนี่เป็นของ Allah อะไรแล้วเราไม่ต้องไปไปนั่งนับอยู่ว่าเมื่อไรน้าอะไรนะะาาจะให้ผลตอบแทนกับเราเอ้มันมาเองสำคัญคือทำหน้าที่ดีเรือย Allah อับนะอันนี้แหละที่เราแพ้เพราะเราเนี่ยเวลาที่เราทำอะไร เ, เราบอกว่าเราทำเพื่อ Allah เราทำเพื่อท่านนาบีแต่หลังๆเราก็แอบหวังอยู่ว่าเอเราจะได้อะไรนะ <laughs> เราจะได้อะไรอ่ะจากการที่เราทำอะไรให้กับ ให้กับอัลลอ์ให้กับท่านนาบิุสลองัลลอฮสัลลัมเนี่ยนี่เป็นบทเรียนให้กับเราอันตะซาบาไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าอยากจะได้แบบนี้แบบนี้แต่อัลลอฮ์ตะลาประทานให้เพราะหัวใจของพวกเขาสุภานัลนแหลเต็มที่จริงๆเนี่ยวะมะรอนีมะน่ะนอกจากได้ชัยชนะแล้วแล้วเราบอกว่าอย่างไงวะมะรานีมะแคสีรอตันยะขุรูนะฮและซับเฉลยจานวนมาก ที่พวกเขาจะได้รับวมรานิมะกาซีรัญันยะขุซูน่าซับเฉลยตรงนี้หมายถึงซับเฉลยที่ไหนครับหมายถึงซับเฉลยในการพิชิตเมืองคัยบรัรหลังจากที่กลับมาจากมักกะในปีนั้นพอปีต่อไปประมาณเดือนมุฮัรรอมอันนบีก็ได้สั่งให้บรรดาสหายไปตีเมืองคัยบัและถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของอิสลามว่า ทรัพย์เฉลยที่เยอะที่สุดที่บรรดาซาฮบะได้รับในสงครามนะครับถ้าไม่นับรวมหลังจากที่ท่านนับเีเสียชีวิตก็คือที่คอยบัตเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิสลามที่บรรดาซาฮบะได้ทรัพย์เฉลยมากจริงๆเป็นสัญญาจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตะอลถามว่าเกิดเหตุการณ์หรือ ย, ยังยังไม่ได้เกิดนะ อันนี้เป็นสัญญาที่阿拉ตะลาบอกกับบรรดาคนที่ให้สัตยาบันกับท่านนบีระหว่างทางจะกลับบ้านนะสุรรักษ์นี้ถูกประทานลงมาระหว่างระหว่างทางจะกลับมาดีนนะยังไม่ได้ถึงมาดีนะ น, นะด้วยซ้ำไปน้า阿拉ตะลาบอกแล้วว่าหลังจากที่พวกเจ้ากลับไปมาดีนนะพวกเจ้าจะได้รับหนึ่งสองสามสี่และจะได้รับทรัพย์เฉลยเยอะแยะที่พวกเจ้าจะได้รับ阿拉ตะลาใช้คําว่ายะคูซ yeah, ูนะฮะที่พวกเขาจะได้รับพวกเขาคือใคร ก็คือคนที่ให้สัตยาบัญกับท่านนาบี 1,400 กว่าคนนี่แหละไม่รวมคนอื่นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนที่ไปใครบา้างมุนาเฟกออกไปได้ไหมนี่เราเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่บวกมุนาเฟกท่านนาบีห้ามใครที่ไม่ได้ให้สัตยาบัญใครที่ไม่ได้ออกไปที่ฮุดัยเบียห้ามออกไปไหนห้ามออกไปไครบา้างเฉพาะค น, นที่ให้สัตยาบัญกับท่านนาบีเท่านั้นที่ได้รับม่านิเมเตะคีซีร์ม่านิเมเต์ซีซร์เตนยั่วขูนเฮเ وكان الل الله عزيزا ال حكيما الل ال الله سبحانه وتعالى นั้นทรงกรีงไกร له القدرة عزيزا ไม่ต้น له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء الله تعالى นั้นทรงกรีงไกรทรงมีปริชาญาณพระองค์ท้าสมมติว่าจะให้บรรดา穆มินชนะพวกมุสลินที่มักกะพระองค์ก็ทาได้แต่ ฮิกมาขอลอตาตามีอยู่ที่ไม่ทําให้เกิดสงครามระหว่างมุสลิมีนพวกกับพวกมุสริกนไม่เกิดเพราะมีฮิกมาอื่นฮิกมาอื่นก็คือเนี่ยในจํานวนฮิกมาที่ไม่เกิดสงครามตอนที่ไปฮูดายเบียเพราะมันมีเรื่องอื่นที่ดีกว่านั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับประชาชาิมุสลิมอันนี้คือจํานวนความปริชายาที่อัลลอฮฺทรงตรัสละกําหนดมาเช่นนี้ وكان الله عزيزا حكيما وعذكم الله م غ ا ن ي كثيرة تأخذونها ปีน้องสังเกตดูให้ดีอายัก่อนหน้านี้ม غانية كثيرة ตัวยาใช่ไหมครับแต่พอมาอายันี้ و ่ ع َ ك م الله م غ م ا ن ي كثيرة อะไรฮะ แต่ขูู่นฮใช้ตัวตาแตกต่างกันตรงไหนยะขูู่นฮะหมายถึงคนเหล่านั้นที่ให้สัตยาบันกับท่านนาบีที่ฮุดัยเบียเท่านั้นไม่รวมคนอื่นแต่อายัดนี้รวมคนอื่นด้วยอายัดที่สองข้างหลังเนี่ยรวมคนอื่นด้วยและอาจจะรวมพวกเราด้วย ไม่ใช่เฉพาะบรรดาชาวบ้านอย่างเดียวละรวมบรรดามุม <od söz ena Christopher> ินทั้งหมดตั้งแต่ยุคท่านนบีสุลต่านจนถึงยุคของเราและจนถึงวันเกียมติ์มั่น وعدكم الله ม غ ا ن ي كثيرا تأخذونها มันมือกพระละแวกกำลังพูดกับเราเลยพวกเจ้าไม่ใช่พวกเขาพวกเจ้าคือใครทุกคนที่อ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นในยุคของท่านนบีสุลต่านยุคหลังจากท่านนบีและยุคของพวกเรา ถ้าเราอ่านมาถึงอายัดนี้เรากำลังมีความรู้สึกว่านี่อัลลอฮ์กำลังพูดกับเราอยู่นะพระองค์ทรงสัญญากับพวกเจ้าพวกเจ้าคือไงมุขมินพวกเราที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุลตาระพระองค์สัญญาไว้อย่างไงว่าดะกุมุลล่าหูมะกานีมะคีซีรตันจะขูดูนฮะพวกเจ้าจะได้รับทรัพย์สินมากมายจากจากการที่อะไรไปต่อสู้กับศัตรู มัก็ตอนนี้มะ้งเนี่ยหมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหลังจากสงครามสิ้นสุดไปซึน่นพวกเจอาจจั ล, ละ่ะแต่ละให้เจ้าได้รับแบบปัจจุบันทันด่วนหนึ่งอันก่อนไอ้ปัจจุบันทันด่วนหนึ่งอันก่อนนี่คือที่ไหนก็คือที่ไคบัตอะ สัญญานี้ไม่ได้สัญญาเฉพาะว่าพวกเจ้าจะได้รับทรัพย์เชลยในคอยบัตรที่เดียวเท่านั้นแต่มีมีที่อื่นอีกอีกเยอะหลังจากนั้นในในช่วงศีรษะของท่านน บ, บีสโลตสลับพอไปพิชิตคายบัต ร, รได้รับทรัพย์เฉลยออกมากลับมามากมายหลังจากคายบัต ร, รมีที่ไหนอีกที่บรรดามุสลิมได้รับ ซับชเชลยกลับมาเยอยะแยะมากมายอีกพอจะจำได้ไหมเนี่ยสงครามฮูไนสงครามฮูไนเนี่ยก็ยึดรับเฉลยมามากแล้วท่านนบีเนี่ยให้กับบรรดามุสลิมใหม่จากมักกะหมดเลยชาวมาดีน่าไม่ได้อะไรเลยเคได้ยินไหมเหตุการณ์นี้ตอนสองครามฮูไนเนี่ยได้รั์เชลยมามากแล้วท่านนบีก็แ บ, แบ่งแบ่งแบ่งให้กับพวก พวกที่รับอิสลามใหม่นะพวกมักกะในขณะที่พวกมดีนะซึ่งเดินทางมาจากมดีนะกับท่านนาบีพวกชาวอังซอบเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยจนกระทั่งมีการพูดกันว่าทำไมท่านนาบีไม่เอาเราแล้วหรือไม่รักเราแล้วหรือพอท่านนาบีได้รับชัยชนะที่หุไนเนี่ยแล้วก็ยากใกล้ชิดที่มักกะของท่านเริ่มรับอิสลามท่านกาลังลา เ, เอียง ใช่ไหมก็เลยให้ทรัพย์สินสงครามอุไนเนี่ยให้กับบรรดาญาติคนใกล้ชิดคนที่อยู่ในเผ่าของตัวเองที่มาริณนะ่าที่ที่มกักกะหมดเลยในขณะที่ชาวมาริณ่าไม่ได้อะไรเลยเคยได้ยินไหมครับเรื่องราวนี้สุดท้ายท่านอับบิกรียกบรรดาชาวอันซอรมาทั้งหมดแล้วก็พูดนะพูดพูดถึงบุญคุณของชาวอันซอรที่ให้กับท่านมาและสุดท้ายท่านก็ถามว่าพวกท่านจะเอาไหม ให้คนเหล่านั้นกลับบ้านไปกับแพะกับแกะกับอูดส่วนพวกท่านกลับไปมาดีนะพร้อมกับมูฮัมมัดสลัดละฮ์วะอะลัยฮ์วะสัลลัมเลือกเอาว่าจะเอาอันไหน <laughs> ปรากฏว่าร้องไห้กันหมดเลย <laughs> เป็นเรา <laughs> เราจะเลือกอันไหนเราจะเลือกแพะแกะหรือว่าเราจะเลือกมูฮัมมัดสลัดละฮ์อะลัยฮ์วะสัลลัมเราจะเลือกอันไหนเอเมครับ <laughs> นี่คือสุบฮาร์ละหละนี่คืออัลลอฮฺอัลลัล เป็นเป็นเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะที่เราได้เห็นจากบรรดาชาวอังซอสนะครับสุดท้ายท่านนาบีก็เสียชีวิตที่ไหนเสียชีวิตที่มาดีนะเสียชีวิตในอ้อมอกของชาวอังซอสไม่ได้กลับไปเสียชีวิตที่มักกะแต่อย่างใดเพราะท่านอะไรนะกลายเป็นชาวอังซอสกลายเป็นพวกเดียวกับชาวมาดีนะไปแล้วนี่คือมาราณีมาแกซิโรจน์ที่ไม่ใช่แค่เมืองคอยบัตหลังจากนั้นก็มีอีก ผ่านยุคอบูบักยุคอุมัดรวมอยู่ในนี้หมดเลยการที่มุสลิมไปเปิดเมืองเปอร์เซียได้รับมากลับมาเท่าไหร่ไปเปิดเมืองบาฮเรนได้รับทรัพย์สินกลับมาเยอะมากไปเปิดเมืองถึงชามไปเปิดเมืองโรมโรมันไ ม, ไม่ใช่เมืองโรมที่อิตาลีไม่ใช่นะอาณาเขตหรือว่าอาณาเขตการปกครองของจกักรพรรดิโรมันในสมัยนั้นเนี่ยมันมาถึงจอแดนมาถึงเมืองชามซึ่งมุสลิม สามารถไปพิชิตได้หมดเลยและได้รับทรัพย์สมบัติฝากมาเยอะแยะมากมายเหล่านี้รวมอยู่ในคําว่ามารกอนีมาแกซีรอจัมในยุค ข, ของท่านนาบีและหลังจากนี้จนถึงวันเกียร์มัตวันเกียร์มัตก่อนวันเกียร์มัตจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมีฮะดีษที่บ่งบอกมากมายถึงสัญญาณของวันเกียร์มัตว่าจะเกิดสงครามโดยเฉพาะสงครามระหว่างยิวกับชาวมุสลิมอันนี้เราพูดในแง่ของ หลักฐานที่ปรากฏใช่ไหมครับแล้วชาวยิวก็จะไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้หลบอยู่หลังต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะบอกพิกัดของยิวหมดเลยเนี่ยต้นไม้เนี่ยบอกบอกบอกชาวมุสลิมว่าเนี่ยมีศัตรูอยู่ข้างหลังฉันนอกจากต้นไม้ต้นเดียวคือต้นอะไรรู้จักไหมซึ่งตอนนี้ที่ประเทศอิสราเอลกำลังปลูกต้นนี้อยู่ เหมือนเขารู้รู้ไม่ใช่เหมือนรู้เขารู้เขารู้แน่นอนอ่ะกนเรื่องแล้วนะไม่ใช่ต้นกร้านี่เราพวกเราไม่รู้เห็นไหมพวกเราไม่รู้ไหนใครรู้บ้างว่าต้นอะไรที่เป็นต้นไม้ของชาวยูต้นไม้นี้จะไม่บอกต้นอื่นบอกหมดจักกุมจักกุมอยู่ในร่มจะหันหนังไม่ใช่จักกุม ชาจารัตุกรออดเรียนไหมครับกรออดเป็นต้นไม้ที่จะไม่าชาวจะไปหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วก็ไอ้รักอดเนี่ยจะปิดปากเงียบจะไม่บอกว่ามีศัตรูอยู่ข้างหลังก็ะจะเกิดเหตุการณ์สงครามสุดท้ายชาวมัสสึมจะได้รับใจชนะและได้รับทรัพย์สินมากมายสัญญาณวันแกมัดอย่างหนึ่งก็คือความสำราญหรือ ความมั่งมีจะเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินทั่วหมดเลยจนกระทั่งไม่มีใครจะรับอากาศไม่มีใครจะอะไรต่างๆนันแะเหล่านี้รวมอยู่ในวมะกาเนะกซีรตันแะคูซูนะฮะทั้งสิ้นเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาของล่องสุภาเนาะแต่ลาที่ส่งให้สัญญากับบรรดาสาวบะในยุค ข, ของท่านนาบีและส่งให้สัญญากับพวกเราทุกคนอย่าลืมนะครับว่า บางทีสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยบางคนอาจจะมองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพ้อฝันไปหรือเปล่าอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์เบาเหล้วนี่มันเพ้อฝันไปหรือเปล่าว่าเอามาจากไหนเราต้องย้อนกลับไปที่บรรดาสหายบาสิตอนที่สหายบาสได้รับทัพย์เฉลยจากใครบาสเนี่ยสหายบาสเคยฝันไหมอัลตัล่าเคยให้สัญญากับบรรดาสหายบาสเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเพ้อฝันหรือเปล่าจะไปเอาไครบาสได้ยังไงหรือจะไปเอาเปอร์เซียได้ยังไงจะไปเอาโรมันได้ยังไงสุดท้ายเป็นยังไง เอามาหมดแล้วมันเปิดฝันได้ยังไงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในสัญญาของลระเจ้าของเราตา่อะไรวันนี้เราอยู่แบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทําตัวเหมือนกับ <c oughs> เราไม่ได้ทําตัวเองเหมือนกับที่บรรด า, า, าสะพัแสดงบทบาทเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปไม่ถึงลองเร า, เราสแสดงบทบาทให้ถึงสิ เราช่วยละตะละให้ถึงเราช่วยศาสนาของละตะลาให้ถึงเราปฏิบัติตามสุนัขของท่านนาบี ส, สุลต่ามให้ถึงสักวันหนึ่งมันจะต้องมาแต่ทุกวันนี้มันไม่ถึงเพราะเพราะเราไม่ได้ทําหน้าที่ของเราผลตอบแทนมันจะมาได้อย่างไงอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับอย่าอย่าไปคิดไปคิดในแง่ลบไปคิดในแง่ร้ายบอกว่าอะไรอ่าเหมือนมาฟังเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะจับต้องได้สุบภานล้ลลอเรา เราเรื่องผลตอบแทนที่จะได้มาเนี่ยบอกแล้วมันอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานวจและแต่สิ่งที่เราต้องทำคือหน้าที่ของเราเหมือนที่บรรดาซาบะได้ทำหน้าที่ของพวกเขาต่อท่านนาบีสุลละสัลลัมได้อย่างไม่มีที่ติเราละ่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีหรื อ, อยังที่จะมาพูดลอยๆนะครับว่าเป็นสัญญาเพอ้อฝันได้ยังไงอัลัยฮิอัลลอฮฺมินดาริก ว่าจะต้องการ Allah อ ะ, ะ, ะ, ะ ไ, ะ Allah อะไรก็ได้ไดไดที่มีอยว่ไน่เกนี้ ไม่ได้เกิดการตะลุมบอแบบหนักๆไม่มีแต่ได้ทรัพย์สินเยอะเกิดนิดเดียวไม่ได้เกิดถึงขนาดที่ว่าเสียชีวิตแบบเยอะแยะมากมายอันนี้คือความหมายของคำว่าวกัฟฟะไอเดียนนาเสียงขุ่นนะพวกยิวที่อยู่ในใครบัตเนี่ยไม่ได้โจนตีชาวมุสลิมจนกระทั่งราบคาบไม่มีอาราตล拉เหมือนกับช่วยไม่ให้เกิดการตะลุมบอนกัน ไอสงครามแต่ใอนขัเดียวันมุสลิมไดียวราไปเจอนัฟอะีะน้าสิอังค่จะ้เป็นสัญญาหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาสัญญาหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธานี่หมายถึงอะไรยื่นติดลุนบีฮอลรอะก์ัละี s a ย a ่งดีรูอัลเลฮอายาันลิลมุมินีมายความว่าเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่าก่อนหน้านี้ลัสัญญาว่าอะไรสุดท้ายได้มาไหมได้มานี่แหละคือความหมายของคำว่าวลิตาคูน่นะอายะตันลิลมุมินีเพื่อให้ชาวม من, ุมินผู้ศรัทธาบรรดาสหาบ้านเนี่ยได้ประจักษ์ ถึงสัญญาของลอสบานเอาใจลว่ามันเป็นจริงนะครับวยะดียะคุมซีรอาตมมุสตะ قي มาและพระองค์จะสรงชี้ทางพวกเจ้าไปสู่เส้นทางที่เชี่ยงตรงอัลลออักบรครบเครื่องนะครับตั้งแต่รอดิยาลลอฮอานิลมุมินี فعلى مما <ت ص> في آفأنزل السكينة عليهم أثابهم فتحا قريبا مغانم كثيرة يأخذونها لما بوتين فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ي للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما เนี่ยเป็นการนับนับนับนับนับผลตอบแทนที่อัลลอฮฺจะให้กับบรรดา穆มิณทั้งหมด อัลลอฮฺวอักบัเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา صحاب ในยุคสมัยของท่านนบีสุลต่าละฮ์ของเสัลลน่าสังเกตไหมครับอขัดสุดท้ายที่เราอ่านเมื่อกี้จบท้ายด้วยอะไรนะวยะฮดิยาควยะฮดิยาุมซิราต์มุสต์กีมะซิราต์มุสต์กีมาเส้นทางที่เที่ยงตรง Allah t a a l ต้องให้เราด้วยแม้ว่าเราจะชนะมากี่รอบแม้ว่าเราจะได้รับ ทรัพย์สินมาเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่ห i d a y a จากลอสส์บาลามตาอละยังคงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องขวนขวายและสแสวงหาอยู่เสมอเอามาย่อในบริบทเล็กๆของเราได้ไหมเราจะเอามาเป็นบทเรียนในชีวิตของเราอะ่ะอันนี้เราสารองกาพูดถึงบริบทใหญ่ ของบรรดาซอฮาบะหรือของบรรดามุสลินทั้งหมดว่าพราะองค์จะให้เส้นทางที่เที่ยงตรงกับบรรดาผู้ศรัทธาลองย่อมาที่ตัวของเราแต่ละคนสมมติว่าตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมหมดทุกอย่างทรัพย์สินเราก็มีความรู้เราก็มีทำอมามัลอิบาดาห์ก็สม่ำเสมอมีอมามัลอิบาดาห์ที่โอเค เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะปลดตัวเองออกจากการแสวงหาฮิดายะซิรอตรมุสตะกีมาจากอัลลอฮฺต้าลาได้หรือยงังได้ไหมครับถ้าดูจากอายัดนี้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนี่พร้อมหมดทุกอย่างเลยนะซาฮ์บะได้ทุกอย่างแล้ได้ความพอใจจากอัลลอฮ์ได้ความสงบในใจ ได้มากานิมได้การิมะจากข่าวอีกแต่ตาไรเท่าไรอย่างกังกระปตอนท้ายว่าวยะดีอะคุมสิรอตอนมุสติกีมการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมการสแสวงหาฮิดายะจากละตาลาเพิ่มเติมยังเป็นภารกิจของพวกเราจนกระทั่งเราจบชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจอย่าเข้าใจผิดอย่าทําตัวมีความรู้สึกว่าโอเคหมดทุกอย่างแล้วเราไม่จําเป็นต้อง ต้องหาหรือต้องขอจากลาตาลาให้พระองค์อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตากิมนะเคยแปลกใจไหมทําไมเราต้องขอด้อานี้ทุกวันเราอยู่ในชูรอฟติฮะด้วยที่เราต้องอ่านทุกวันอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกิมขอไม่รู้มาตั้งกี่ปีทําไมต้องขออีกขอครั้งเดียวไม่พอหรือเราก็อยู่บนเสีรอตัลมุสตะกิมอยู่แล้วไม่ใช่หรือเห็นไหมครับ ความสำคัญของการขออ e ิฮดีนัสซีรอตัลมุสติกิเนี่ยมันมีหลายเลเวลเลเวลของคนที่ยังไม่ได้รับฮ idayat จากอัลลอสุบฮานตะอัลลการที่เขาขอว่าอ e ิฮดีนัสซีรอตัลมุสตะกิก็เพื่อที่จะให้เขาได้เจอกับเส้นทางที่เที่ยงตรงก่อนหลังจากนั้นเลเวลต่อไประดับต่อไปคนที่เริ่มรู้จักฮ i ด a y a t แล้วจะทำอย่างไรให้เขาสามารถปฏิบัติได้เต็มที่ ก็ต้องยังยังต้องพึ่งอิดีนัสเราตอนมุสตะกิมส่วนคนที่ปฏิบัติได้เต็มที่แล้วเขายังมีความจำเป็นที่จะให้อัลลอฮฺสุบนาะอตาลาให้เขายืนหยัดบนเส้นทางนี้ไปตลอดก็ยังต้องขออยู่อิดีนัสเซราตอนมุสตะกิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเลเวลไหนเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากการขอดุทิศหรือหวังพึ่งวายฮ์ดีอะกุม สิราตามุสตะกีมานเนี่ยครบเครื่องมากๆครบเครื่องและสุดท้ายไปจบที่วะยดีอะคุมสิรอตมุสตะกีมาอันที่จริง่มันยังไม่มีมันมันยังไม่ได้จบแค่นี้เพราะว่าอายะห์ต่อไปเนี่ยอายะห์ ท, ที่ยี่สบเอ็ดอันนี้เริ่มพูดแล้วเริ่มพูดถึงการพิชิตเมืองมักกะเริ่มพูดถึงอ่า น่าจะเป็นอายัเดียวผลตอบแทนหรือว่าผลตอบแทนอันสุดท้ายที่เราแต่ละพูดถึงก็คือว่าอุคราเริ่มจะกระดิรอะไรฮและผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมายที่พวกเจ้าไม่เคยคิดว่าจะสามารถพิชิตได้อนี้แหละที่ผมบอกว่าบางสิ่งบางอย่างซาฮาบะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้รับแต่สุดท้ายเราแต่ลตาลก็ประทานให้แก่พวกเขาอย่างมากมาย قد أخا ت الله بِهَا ว่าการัลลอฮฺอาลัยคุณลิชัน์คดีราอซุบฮนะฮ์ะนุะตะละนั้นส่งอะฮ่าตาบิฮะหมายถึงยังไงนะัลลอฮฺทรงได้ล้อมมันไว้หมดแล้วหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะหนีออกไปจากความสามารถของัลลอฮุบฮ์ะนุะตะละเรื่องบางเรื่องเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในมือเราไอ้ของที่มันไม่ได้อยู่ในมือเราเนี่ยแต่มันอยู่ในมือ ในมือของอัลลอ์และพระองค์ก็เป็นผู้ให้กับเราเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในมือเราไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งตอบย้ำสิ่งที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้การตอบแทนเป็นของอัลลอ์เราทำหน้าที่ของเราให้ดีสำคัญมาก การตอบแทนที่ Allah ละสัญญากับเราว่าจะให้นั่นๆๆๆสุดท้ายมันจะต้องได้มาเพราะ Allah ละอาหารตบิฮะเจ้าขอาวนะั a l t a l a alem وصلى الله ونبينا محمد وعلى آله و ص ح وسلم سبحان ربك رب العزة ع يصفون و س على ا ل م س ل ي ن والحمد لله العالمين السلام ع ي ك ورحمة الله ر ك